การแสดงธรรมในวันนี้ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือหลวงพ่อเลยขึ้นมาแบบจูจ่ๆก็ให้เอาในมลหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อก็รับเป็นองค์แสดงธรรมและเป็นองค์เทศให้แก่คณะสัตยาโยมอาจจะมีขาดตกบกพ้องแน่นอนเพราะหลวงพ่อไม่มีข้อมูลและก็ไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้อีกอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็เป็น พระไม่ค่อยได้มาทุกทีในเมืองในกรุงอย่างคณะสัายาติโยมที่ได้รู้ได้เห็นนานๆจะเห็นหลวงพ่ออินโผล่มาทีหนึ่งเพราะนั้นข้อมูลต่างๆที่หลวงพ่อจะได้พูดไปคงจะมีการผิดพลาดแต่ถึงยังไงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะสัายาติโยมครูบาอาจารย์หมู่ธรรมิกทุกรูปทุกท่าน แล้วก็คณะทายาิโยมทุกคนคงจะให้อภัยให้อภัยแกตมาภาพเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นอันดับแรกตาตมาภาพขอแนะนำตนว่าพระองค์นี้มาจากไหนหลวงพ่อองค์นี้มาจากไหนได้ยินแต่ว่าหลวงพ่ออินถวายแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ได้บอกแต่หวัดหลวงพ่ออินนะแต่เมื่อกี้นีหลวงพ่อก็ได้ ให้คณะสัททายาตโยมได้แจก MP3 มพีสามไปหลายแผ่นพอสมควรถ้าว่าผู้ใดท่านผู้ใดอยากจะฟังในรายละเอียดที่หลวงพ่อแสดงธรรมเปแนวลักษณะอย่างไรก็ขอให้ตั้งใจฟังใน MP3 ที่หลวงพ่อได้แจกให้แก่สัททาญาตโยมได้ฟังแต่ว่าขอแนะนําอีกอย่างหนึ่ง MP3 ของหลวงพ่อที่แจกให้ไปนั้น แต่ถ้าว่าผู้ใดฟังได้รับไปแล้วตั้งใจฟังถ้าหากว่าตั้งใจฟังหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าทํา MP มพีสามของอาตมาภาพนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นแนวความคิดลากหลายของพระ อ, อยู่ในป่าดงพงไพ่ที่หลวงพ่อได้ประพุทธปฏิบัติมาอย่างไรหรือว่าได้ประสบการณ์มาอย่างไรหลวงพ่อก็ได้ได้อัดลงใน MP ็สนั้น เป็นหลากหลายในแนวความคิดแต่ว่าผู้ไม่ตั้งใจฟังฟังแบบไม่ได้สนใจและก็คุยกันซะก่อนฟังและเวลาฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังทําการทำงานฟังด้วยอันนั้นคงไม่เข้าใจคงไม่ได้รับอัทรสในการฟัง น, ะ, นะเพราะนั้น m p 3ของอาตมาภาพได้แจกแจก่ให้คณะสัตธาญาติโยมไปแล้วเมื่อกี้นี้ และก็ต่อนนี้ไปกระผมจะเป็นองค์แสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์และพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศขอร้องอย่างหนึ่งคืออย่าถ่ายรูปด้วยแฟตนะหลวงพ่อขอร้องเพราะว่ามีแฝดเข้ามาเข้าตาแล้วหลวงพ่อพูดไม่ได้แล้วก็เป๋เพราะเป็นพระป่า ไม่คุ้นเคยต่อเสียงแสงที่เข้ามากระทบพอมีเสียงแสงเข้ามากระทบแล้ว เ, เป๋ไปเลยเพราะหลวงพ่ออยู่ในป่าโรงพงไพ่ก่อนที่จะนั่งสมาธิก็หามุมสงบที่สุดอยู่ในมุมเงียบสงบที่สุดและก็นั่งภาวนาเพราะฉะนั้นธรรมะหรือว่าคําสอนของหลวงพ่อที่ได้มานี่ได้มาแบบเงียบสงบถ้าหางว่าได้ยินเสียงวุ่นวายหรือว่า มีแสงอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะหดเข้ามางั้นค่ะมันจะหายเงียบไปเลยพูดอะไรไม่ได้เพราะนั้นขอร้องกับคณะั์ทายญาติโยมผู้ที่จะถ่ายรูปก็ขอให้งดไปก่อนแต่ก่อนเมื่อเทศจบลงไปแล้วหลวงพ่อก็ให้ถ่ายรูปได้ไม่ได้หวงห้ามนะแต่ขณะที่พูดนี่ขอขอไม่ให้ถ่ายนะ นะโมติสขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสขาวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุญญาณิปัลโลกัตสงปติฐาหนติปานินันติติ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งคณะสัตายาติโจมบริษัทสายการบินไทยที่ว่าใหญ่ที่สุดของประเทศได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาทําบุญประจำปีมีท่านประธานและรองประธานบริษัทพนักงานบริษัท ต, ตลอดถึง พี่น้องประชาชนญาติโยมที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าแต่ก่อนอื่นหลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้ที่จะพูดให้แก่ชุมชนสังคมพี่น้องประชาชน ที่หลวงพ่ออยู่ในป่าดงคงไพรห่างไกลจากกรุงเทพมหานครถึง7800กิโลอยู่ที่อำเภ อ, เ อ, อนายูงวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีติดกับเขตจังหวัดเลยและหนองคายติดฝั่งแม่น้ำโขงจากนี้ไปเป็นระยะทางไกลมากแต่พณะัทธรายญาติโยมได้นิมนต์หลวงพ่อตั้งแต่ กรมช่างการบินไทยในคราวนั้นหลวงพ่อก็ได้รับจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาหลายเดือนหลวงพ่อก็ได้ลงได้รับนิมนต์มาเป็นอันว่าหลวงพ่ออยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครอย่างมากแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็ได้ยินทกระยะพาะสื่อทุกวันนี้ถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ได้ยินว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นเป็นอย่างไร แต่ลวงพ่อได้อยู่ไกลแต่ลุงพ่อก็ไม่ได้รับข่าวโทรทัศน์หลวงพ่อก็ไม่มีในวัดเพราะลุงพ่อเป็นพระป่าพระดงไม่ให้ตั้งโทรทัศน์ในวัดแต่มีแต่สถานีวิทยุสถานีวิทยุนั้นก็ลวงพ่อตั้งเองในวัดของหลุงพ่อเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ได้รับมาจากสถานีวัดป่าบ้านตาดแล้วก็กระจายเสียงไปในถิ่นนั้น สถานีของหลวงพ่อมีประจําวัดแต่สถานีอย่างอื่นหลวงพ่อก็ไม่ไ ม, มีแต่หลวงพ่อก็ได้รับสื่อหรือข่าวต่างๆของพี่น้องประชาชนญาติโยมคนในชาติทุกวันนี้รู้สึกว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือแตกสมัคคีกันในลักษณะอย่างนั้นแหละแต่แต่หลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดในรายละเอียดเพราะหลวงพ่อเป็นพระป่า แต่เึงถึงยังไงก็ตามหลว ok ok ok งพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าก็เถอะคือคือคนในชาติอยู่ในตะ ก, ก้าเดียวกันเพราะนั้นถ้าว่าคนในชาติามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อจะสุขสบายหลับตาอยู่อย่างเดียวหลวงพ่อก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ได้มาคิดได้มาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผล แต่ทำไมคนในชาติของเราจึงเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ได้พิจารณาในหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนในชาติของเราอาจจะขาดศีลธรรมจริยธรรมขุนธรรมในจิตใจจึงทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายทุกคนมีแต่ส่งออกไปข้างนอกไม่ได้มาดูใจของตนเองมีแต่ส่งออกไปข้างนอก ว่าคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ตนเองนั้นน่าจะเป็นอย่างไรอันนี้พวกเราไม่ได้มองตัวเองถ้าหากว่าพวกเราทุกท่านมองตนเองข้าพเจ้าควรทําอย่างไรจึงจะเป็นคนดีเป็นชริมงคลต่อประเทศชาติหลวงพ่อว่าถ้าพวกเรามองตนเองอย่างนั้นก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายและทุกคนก็ให้มีฮิลิ คือความละอายแก่ใจโอทปะคือความกลัวต่อบาปแต่ถ้าว่าคนในชาติขาดสองอย่างไม่มีฮิริกับโอทปะแล้วกฎหมายบ้านเมืองจะตั้งละเอียดถี่้วนข น, ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้แต่ถ้าหาว่าคนในชาติมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอทปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านั้นหละโลกทั้งโลกหรือประเทศชาติบ้านเมืองของเราคงจะ คงจะร่มเย็นเป็นถุกลงได้เพราะว่าคนในชาติใครก็มีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าให้มองตอนเองสิ่งไหนที่มันผิดไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราสิ่งไหนที่มันถูกก็เช่นเดียวกันถ้าสิ่งที่มันผิดคือคือสิ่งนั้นคือชั่วช้าเสียหายต่อตอนเองต่อประเทศชาติต่อโลกสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายนั้น คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนไฟก็คือของร้อนที่มันเสียหายก็คือของร้อนสิ่งที่มันถูกต้องก็คือของเยน็นของร้อนผู้ไรก็ตามทำนัสถานที่ใดทำในที่ลับหรือทำในที่แจง้งก็สิ่งไม่ดีทำไปแล้วมันก็ไม่ดีไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทุกๆท่านตัวของเราพวกเราทุกท่านนั่นแลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุด ว่าข้าพเจ้าคิดยังไงพูดยังไงทํำยังไงถ้าหากว่าเราคิดผิดทําผิดพูดผิดก็คือมันผิดความผิดนั้นเราจะทำนัตฐานที่ใดก็คือมันไม่ถูกเป็นของร้อนถึงทําในที่รับหรือจะทําในที่แจ้งก็คือสิ่งนั้นที่มันไม่ดีเหมือนกับไฟเราจะปิดห้องให้มิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเราไปจับ อยู่ในห้องมันก็ร้อนจับในที่สาธารณะมันก็ร้อนเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันสิ่งชั่วแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าสิ่งชั่วแล้วถึงจะทำในที่แจ้งก็ตามในที่รับก็ตามอันนั้นคือความชั่วไม่ควรจะทำถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตามทำในที่รับก็ดีทำในที่แจ้งก็ดีถ้าถ้าเป็นส่วนดีแล้ว ก็ดีด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นคณะสัตยาติโยมที่หลวงพ่อได้พูดว่าให้พวกเรามีทิ่ริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปให้มีในจิตในใจของพวกเราชุมชนสังคมแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความสงบพรมเย็นผาสุขและอีกอย่างหนึ่ง หลวงพ่ออยู่ในป่ารงคงไผ่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักพระคุณพระคุณอันแรกแรกก็คืออะไรคือพ่อแม่ของเราเป็นผู้ได้เลี้ยงดูเรามาท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเป็นบุกพอาจารย์เป็นผู้ดูแลพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราทั้งหลายเห็นเด็กเล็ก ที่เกิดมาแล้วพ่อแม่จะต้องเป็นผู้ดูแลประครบประงมการอยู่การกินการหลับการนอนการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างพ่อแม่เป็นผู้ให้โอวาทและเป็นผู้แนะนำสั่งสอนก่อนเพื่อนก่อนทุกคนคือพ่อแม่เป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบท ธ, ธิดาเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่าน เกิดมาจากพ่อจากแม่ก็ต้องระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าผู้ใดก็ตามทำไม่ถูกดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของตนเองถึงจะเจริญในหน้าที่การงานก็ตามแต่จิตใจของผู้นั้นเหี่ยวอับเฉาดำมืดมิดเพราะเหตุไร เพราะว่าขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่กตัญญูกะตะเวทีตาต่อผู้มีอุปกระรกคุณคือพ่อแม่อันดับที่สองสถาบันใหญ่ในประเทศชาติของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่พระมหากษัตริย์อันนี้ก็คือวัยวัตคุณวุฒของประเทศชาติเป็นสถาบันถึงใครจะทำยังไงก็ตาม สามสถาบันนี้ควรจะดำรงหรือรักษาไว้อย่างในหลวงของเราหลวงพ่อเคยพูดในหลวงของเราท่านมีแต่ตั้งแต่พวกเราหลวงพ่อนยังไม่เกิดในหลวงท่านก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนโครงการพระราชดาริมากต่อมากจนนับคลณาหาประมาณไม่ได้ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ผลหลวงกว่อชัยเขื่อนต่างๆล้วนแล้วจะเป็นพระราชดาริบัดนี้ในหลวงของเราอายุแปดสิบกว่าเพราะนั้นประสบนิกรทั้งหลายที่พวกเราในหลักของพุทธศาสนาให้ระลึกถึงพระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าในหลักของพระพุทธศาสนาให้ลําลึกถึงพระคุณพระคุณคือพ่อแม่ของเราอันนี้ก็ในหลวงก็คือเป็นผู้มีพระคุณสาหรับประเทศชาติบ้านเมืองของเรา มาถึงปูนนี้แล้วในหลวงท่านก็มีพระชนอายุสูงส่งมากขนาดนั้นแต่พวกเราเป็นพระสงนิก่อนเราจะให้รางวัลแก่ในหลวงของเราทะเลาะกันอย่างนั้นเหรอแล้วก็ดูถูกท่านอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับชุมชนสังคมประเทศชาติให้พวกเราระ ล, ลึกถึงพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณที่ท่านได้ทําให้แก่พวกเราแต่บัดนี้ท่านอายุมากแล้วพวกเราก็ควรจะเทิดทูนบูชาเหมือนกับพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเรามาแต่เด็กแต่เล็กแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่แก่เท่าฉลาเราจะดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของเรานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่สุดเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับทุกทุกท่านชาติศาสนาส่วนพระศาสนานั้นก็คือ เป็นผู้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนไม่ว่าศาสนาไหนสอนคนให้เป็นคนดีแต่พวกเราได้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนพวกอุบาสกอุบาสิกาคือท่านเนื้เน้นเรื่องทานทานะคือการทานถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีผู้เสียสละในการทำบุญทำทานเห็นกันผู้ที่ด้อยกว่ายากจนกว่าก็เสียสละ ทุนทรัพย์ของตนเองแบ่งให้แต่ไม่ให้ทั้งหมดแต่แบ่งให้รู้จักแบ่งรู้จักเสียสละถ้าคนที่มีทานใครๆก็มาพึ่งพาอาศัยเราได้สัตว์สาราสิงหมูหมากาไก่พวกแมวอะไรก็มาอาศัยพวกเราได้เพราะเรามีน้ำใจมีเมตตามีทานที่การเสียสละแต่ถ้าว่าพวกเราที่ตนีทีเหนียวไม่ยอมปันไม่ แบ่งปันให้แก่ใครทั้งหมดหมาแมวหมูหมากาไก่ลูกน้องบริวารเข้ามาใกล้เราไม่ได้ทั้งนะั้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงมาให้มีการเสียสละให้มีทานคำว่าทานคำนี้มีมากมายหลายอย่างอย่างหลวงพ่อกำลังแสดงธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าให้ทรมาทานนอกจากนั้นก็ วิทยาทานก็คือการแนะนำสั่งสอนอย่างครูบาอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอันนี้เรียกว่าวิทยาทานเรียกว่าการให้ความคิดความรู้แก่ลูกศิษย์คืออภัยทานคือการมีใครมาล่วงล้ำเราเออมาดูถูกเกียรติยำเราเราให้อภัยเขาอันนี้แปลว่าอาภัยทานให้เข้าน้ำโภชนาอาหารเรียกว่าให้ อาหารทยธรรมในการเป็นทานเี่ว่าทานมีหลายมีมากมายหลายอย่างอันนี้คือทานถ้าว่าคนเราอยู่ด้วยกันมีการเสียสละมีการให้ทานแล้วพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือทานคือศีลถิ่นศีลคือรักษากายวายใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบการอยู่ด้วยกัน ใครมีอํานาจเหนือกว่าก็ใช้อํานาจนั้นบีบบังคับหรือว่าขู่เข็นใช้อํานาจที่ตัวเองมีมากกว่ามีกําลังมากกว่ามีบริษัทมบริวารมากกว่ามีอํานาจวาสนามากกว่าพวกที่อยู่ด้อยอำนาจก็อยู่ลําบากเพราะเหตุไรเพราะว่าคนกลุ่มนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีคุณธรรมศีลธรรมค้งของเพราะฉะนั้น กฎหมายหรือศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่ดึกดําบันอย่างศีลห้าพวกเรานํามาคิดนํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลดึกดําบันเป็นศีลก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นศีลของลือศีสีพรยอยู่ในป่าเป็นศีลคุ้มครองมาแต่นมนานเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ขึ้นมาพราะองค์ก็ได้นําศีล เก่าแก่โบราณมาบัญญัติขึ้นมำนำมาใช้ในหลักของพระพุทธศาสนาสินห้าข้อที่หนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาไหว้พระเสร็จแล้วก็อารัธนาสินพระเถระท่านก็ให้สินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นสินข้อที่หนึ่งนั่นคืออะไรข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์การฆ่ากันไม่เป็นผลดีถ้าว่าเราไปฆ่าเขาก็ไม่มีอะไร เพราะเราไปฆ่าเขาแต่ในหัวใจของเขานั้นเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าเขาทุกขนาดไหนเมื่อเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าวงสาคนาญาติของเราเราจะมีความรู้สึกว่าเราเสียใจมากเพราะเหตุไรเพราะเขามาฆ่าเราถ้าเมื่อเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศิลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากัน ถ้าว่าพวกเราไปนสถ า, านที่ใดไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมในยุคนั้นๆอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรามณีถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีแต่จ้องขโมยกันมีแต่คดมีแต่โกงกัน เ, เพอเพ้อยังเรียกจับพ่อแม่ลูกเมียของคนอื่นเขาไปเรียกค่าถ่ายเ อ, อ แล้วก็มีความรู้สึกยังไงถ้าเขามาเรียกของเราไปเรียกค่าถ่ล่ะเรามีความรู้สึกงไงอันนี้ก็คือเป็นการขาโมยเหมือนกันจากนั้นก็ขโมยทรัพย์สินของเขาคนมีแต่ขโมยกันไปในสถานที่ใดความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่เกิดขึ้นในชุมชนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอยา่าขโมยกันพวกเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลด้ยที่ว่าการมีศินนั้น มีความสงบร่อนเย็นเป็นทุกอย่างไรเขาเราข้อที่สามกาเมสุมิชัยจาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาขอรักตะโหนนห่วงแหนถ้าเขาเราไปล่วงล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจไปล่วงอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำของเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเคารพ ซึ่งกันละกันพ่อต่างฝนก็ต่างมีพี่มีน้องมีวงสาคนาญาติให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัน อ, อถ้าจะมีการอมงคลสมรสก็ให้ถูกต้องตามกฎตามประเพณีของโลก อ, อของกฎระเบียบของชุมชนนั้นๆ อ, อโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราล่วงรับล่วงเกินกันไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันแล้วอันนี้ก็เป็น สาเหตุอันหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้โลกวุ่นวายเพราะนั้นสินข้อที่สามก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายจะต้องสำนึกไว้ในใจอยู่เสมอสินข้อที่สี่มุสาวาทาเววะมณีไม่ให้โกหกต้มตุนหลอกลวงซึ่งกันและกันการต้มตุนหลอกลวงโกหกกันนั้นไม่เป็นผลดีแตถ่ถ้าหากว่าพวกเราไปต้มตุนหลอกลวงเขาคดโกงเขา การโคดกองต้มตุ๋นหลอกลวงหรือว่าโกหกคานี้มันมีหลายระดับอย่างพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างเนี้ยอย่างเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างเนี้ย เ, เขียนเซ็ตคำให้เขาตัวเองไม่มีเงินแล้วก็เซ็ตแต่งอย่างเนี้ยจะว่าโกหกใหม่จัดว่าเป็นตระกูลโกหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นโกหกคานี้มีมากมายมีหลายระดับเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ถ้าว่าพวกเขา มีศีลเคารพในศีลแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราและอีกอย่างพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูว่าคนที่ชอบโกหกนั้นจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่เป็ น, ป น, ปนไม่มีใช่ไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือบอกไว้ เมื่ 2, อสองพันกว่าปีแต่คําพูดหรือว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเส้นคงวาคนที่ชอบโ h o กแล้วจะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราสังเกตูอันนี้คือสินข้อที่สีข้อที่หสุราเมรยามัชัประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาะ ก, การดื่มสุราเหล้าเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนจัดเป็นประเภทของเหมือนเมา ว่าผู้ใดก็ตามเสพติดของเหล่านี้จนติดยาเสพติดต่อไปภายภาคหน้าเมื่อคนดื่มช ו ל าเข้าไปและขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะไม่มีสติยับยัง้งพราะคนเมาศินข้อที่หนึ่งก็ล่วงละเมิดได้ศินข้อที่สองก็ล่วงละเมิดได้เพราะคนขาดสติสินข้อที่สามละเมิดได้ข้อที่สี่ก็เหมือนกัน ข้อสินข้อที่ห้าอย่าบองข้ามพวกเราเสียเงินแต่ละปีปีใหม่อย่างเนี้ยเราเสียคนเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่และสงกรานต์ไหนเสียเงินเท่าไหร่เสียคนเท่าไหร่มากมายเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นสินที่อันตรายข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมแต่คณะศรัทธาญาติโยมคงจะอยากจะถามหลวงพ่ออินเหมือนกันว่า ทำไมหลวงพ่อให้คนมีศีลหา้าคนจะรักษาศีลห้าได้อย่างไงคนมันตัางมากมายและหลวงพ่อพูดกับพูดได้นะแล้วใครจะเป็นคนใครจะไปเชื่อแใครจะไปเชื่อหลวงพ่อล่ะเออย่างเนี้ยอาจจะมีคำถามในจิตใจแต่เอาเถอะหลวงพ่อบอกว่าเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดออกไปนี่ว่าศีลห้าของพระพนะุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์่างไร ต่อชุมชนและสังคมข้าพเจ้าคนหนึ่งที่ได้ยินมาแล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมข้าพเจ้าคนหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ได้ข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นเพราะข้าพเจ้ารู้คุณของศีลห้าแล้วว่ามีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นนับหนึ่งจะกข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลห้าจะ ไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นถ้าว่าพวกเราทุกทกคนให้นับหนึ่งจะข่าไปเจ้าไปสิลนของพระพุทธเจ้าก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่มันก็จะมากไปเองแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ชี้นิ้วไปคนอื่นว่าคนนั้นน่าจะมีรัฐมนตรีน่าจะมีนายกน่าจะมีคนในรัฐบาล น, น่าจะมีพ่อค้าใหญ่น่าจะมีพระสงฆ์น่าจะมีพวกเรามีแต่ชี้คนอื่น ตัวข้าพเจ้าล่ะควรจะมีอะไรมีแต่ความชั่วช้าเสียหายอย่างนั้นเหรอไอ้พ่อพยนั้นพวกเราท่านทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้น้องเข้ามาหาตนเองอันนี้ก็คือศินเรื่องสมาธิติดสมาธิในหลักของพระพุทธศาสนาสมาธินี่คือพยายามทําใจของตนเองให้สงบไม่ให้คิดปรุงปุ้งซ่านถ้าบอกคนเรา มีแต่คิดปุ้งคุ้งสร้างตลอดไปล่ำเวลาจิตใจไม่ได้พักผ่อนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจคนนั้นไม่เคยฝึกหัดสมาธิเลยเมื่อเท่าแก่ชราจิตใจจะว้าเหวียงางวางเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะเหตุอะไรเพราะใจไม่เคยฝึกสมาธิถ้าว่าพวกเราทั้งหลายฝึกสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในเวียงวงัง ท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายท่านไม่ไว้ใจในชีวิตของท่านท่านก็ไปออกไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีวันตัดสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนั้นท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกอยู่ที่โคลนต้นโพกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้วะปุกเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ วันนั้นคณะสัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้เชื่อเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ที่โคดต้นโพแล้วว่าเมื่อจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้คือชาติที่แล้วนี่เป็นอะไรชาติก่อนๆเป็นยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่เมื่อวานนี่มีไหม ในวันก่อนนะมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมพวกเราเกิดมากี่ปีนั่นแหละคืออดีตทั้งหมดจากนั้นก็ข้ามภพข้ามชาติไปอีกนี่แหละพระพุทธองค์ละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุดูปะ ป, ะ ป, ะปะาแตยานการจุติของสรพรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ น, นี่พระพุทธองค์ก็รู้ได้พอถึงเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาไปตามลาดับจนถึง ว่าดจิตใจดวงนี้มาจากไหนมาเกิดพระองค์กดติดตามดูด้วยตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาของพระองค์ก็ไปถึงตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจยาสร้างข่าราสร้างข่าราปัจจะยาวิญญาณังจนถึงโสกะภริเทวทุกขทโทมนัสสุขมนุษย์รู้ว่าจิตใจดวงนี้มาจากไหนมาจากตัวอวิชชาผลที่สุดกบมันมาถึงความ โศกเศร้าร้องไห้พิไรลำพันมันมาจากตัววิชาเพราะนั้นพระพุทธองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชาปัจยาใช้ตปะธรรมคือสินสมาธิปัญญามีสมาธิทิเป็นเบื้องต้นกลั่นกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลจนชำระจิตใจของพระองค์ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงพระพระองค์ประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้ว พอเราชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พุทโธได้ตัดสรุปธรรมที่โคลนต้นโพในวันนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับต่างว่าพวกเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดมีตลับหูหลับตาไม่เชื่อเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์เพราะสิ่งลี้ลับในโลกนี่มีมากมายที่พวกเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่าง เพราะนั้นเราจะรู้ถึงพบถึงชาติขนาดนั้นเที่ยวละเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาถ้าเราพวกเราอยากจะรู้พวกเราศึกษาศึกษาอย่างไรศึกษาอย่างที่พระพุทธเจ้าไปพาไปศึกษาที่เป็นนั่งอยู่ที่โคนต้นโพนั่นนะ่ะวันนั้นละเป็นวันที่พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งนั่งขัดสมาธิทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วรู้ว่าร่างกายรูปประธรรมนี่คืออะไร นมามปธรรมนั้นคืออะไ ร, ระโรคประธรรมคือร่างกายนมามปธรรมคือจิตใจใท่านรู้ในตัวของเรามีอยู่สองตัวนมามธรรมตัวนี้ตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเกิดมาแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายส่วนนมามประธรรมดวงนั้นไม่ตายจิตใจดวงนั้นจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจน ร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับรถส่วนจิตใจหรือนำมาทมนั้นเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับแต่ถ้าไม่มีรถคนขับไม่มีรถดวงวิญญาณ น, นั้นก็ไปไปตามลำพังไปอีกในมิติหนึ่งเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกวันนี้พวกเราคอยบีซ่ากันอยู่ พวกเราคอยวีซ่ากันอยูเออ่เมื่อเราเกิดมาแล้วยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้ให้แล้ววันดีคืนดีอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้ายมมาโทษเขาก็คงส่งวีซ่ามาให้แก่พวกเราพวกเราก็คงจะเดินทางต่า ง, างประเทศด้วยกันแน่นอนทุกคนไปทุกคนแต่ต่างคนก็ต่างไปเรามาอย่างไรเราก็ต้องไปอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะคิดจะพูดจะทำสิ่งไหนก็ดี ที่มันไม่ถูกต้องที่มัไม่เป็นธรรมอย่าไปทําสิ่งที่มัไม่ถูกต้องให้คิดอ่านไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วก็ทําแต่สิ่งที่เป็นกุศล ท, ทํำในสิ่งที่ดีเนเพราะสิ่งที่ดีนั้นจะนําพวกเราไปสู่สุขคติต่อไปภายภาคหน้าตายและไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อพูดอย่างที่หลวงพ่อได้ยกพระบาลีเบื้องต้นว่าปุญญานิปัลโลกัตสมิงปฏิฐาโหนติดปานิหนัง บนย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาในโลกนี้พวกเราก็ได้สั่งสมบุญกุศลคนทําคุณงามความดีไปน่าจะานที่ใดมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาแต่ถ้าว่าใครก็ตามทําความชั่วเสียหายไปที่ไหนก็หลบกลิกิกกลัวเขาจะจับกลัวเขาจะจับไหมใส่โทษกลัวจะเขาจะจับมาลงโทษตัวเองเพราะตัวเองทําไม่ดีเพราะนั้น ถ้าว่าพวกเราทำดีไปนักสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับทั้งในชาตินี้ในชาติต่อไปบุญกุศลเมื่อเราล่วงรับไปแล้วบุญกุศลที่พวกเราทำไม่ดีแล้วจะเป็นเพื่อนสองของใจ เ, เวลาเราตายไปแล้วจะเป็นบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองของใจจะนาดวงจิตใจจะนาดวงใจของพวกเรานั้นไปสู่คติภูมิต่างๆมี สวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผมมรโลกสมบัตินิพพานไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดี อ, อย่าทํานีเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดปารบเรื่องการกระทําและการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นสมบัติอันรําค่าของคนในชาติเพราะนั้นพวกเราให้เคารพ บิดามารดาเป็นผู้มีอุปกราระคุณเป็นผู้มีพระคุณเบื้องต้นพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้มีอุปกราระคุณเหล่านั้นถ้าว่าพวกเราเไม่ได้แสดงความกตัญญูพวกเราจะเป็นผู้ชิบหายพูดอย่างนั้นได้น ะ, ะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องทานมีคุณค่าอย่างไรคนที่มีทานอย่างการอยู่ด้วยกัน นั่นก็ร่อเย็นเป็นสุขก็มีการเฉลือเผื่อแผ่สัตว์สาลาสิงค์ก็อยู่กับพวกเราได้เพราะเรามีทานศินคือคือรักษากายวาจาของเราอย่างหลวงพ่ออธิบายเรื่องศินห้าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นข้อข้อและมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรใครสมควรที่จะรักษาศินห้านั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านจะเป็นผู้รักษาศินห้าจากนั้นเรื่องสมาธิคือทําจิตใจให้สงบ ให้พวกเรานํามาพิจารณาไตรตรองและเหตุผลตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนายืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้ก็ขอให้นําไปคิดไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลจากนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับตัวพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายเองก็ให้นําไปประพฤติปฏิบัติ